หลวงปู่มั่นสอนอะไรท่านพ่อหลี มีจริยวัตรที่งดงามมีศรัทธาที่เต็มเปี่ยม อสุวินนครธัมม์ของพระกรรมฐานสายและปัญญาบารมี อีกท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่องค์วาจา มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่บูชา ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยๆ สง่าผ่าเผยเด็ดเดียวจริงจังเป็นนักเสียสละกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ละสําคัญยิ่งและองค์ท่านทราบว่าหนึ่งในสาย กุฤทัตโต ในปีพ.ศ. 2469 ท่านพระๆว่าปี 2474 ได้มีโอกาสพบกับว่าชาติอุสิตังพรหมจริยันติพระอริยะเจ้าขีณา จากนั้นกลางปี 2474 ท่านได้ติดหลวงเชียงใหม่ท่านพ่อหลีเล่าว่าสวย ท่านบอกว่ามองดูให้ดีสินั่นเป็นอย่างไรมองดูให้ดีสินั่นเช่นบ้านหรือถนนสัตว์หรือสิ่งของถนน จีวรใหม่สบงใหม่ที่คนเขาเอามา วันหนึ่งท่านฟ่อหลีได้เดินตามต่อ ได้กลายเป็นถุงหญ้าใบน้อยและสาย ต้องยอมฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นนักสังเกตที่ดีฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็น เวลาจะตากผ้า ที่นอน...เป็นต้น ผ้าพับผ้าปูที่นั่ง บางวันเมื่อฉันแล้วจัดแจงเก็บบาดเก็บชีวรผ้าปูนั่งปูนอน เห็นท่านมองบางอย่างท่านก็ปล่อยไว้ที่เดิมไม่จับต้องล่างข้างบนตรวจ มองเวลาท่านเข้าไปในห้องช่องฝ่าสังเกตดูว่าเวลาท่านเข้าไป เรเราก็ดีใจว่าก็ดีใจว่าเราๆ 60% เท่านั้น ให้ช่วยท่านในเรื่องสืบทอดข้อวัดปฏิบัติเพราะท่านเองไม่ใครเห็นใครที่จะช่วยได้และสั่งกำชับเป็นพิเศษว่าในเรื่องสืบใหให 3 ข้อ 1 ให้ไปพักวิเวก 2 3 บุคคลใดมีธรรมอันพอจะช่วยให้ หลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงผือ พอท่านพ่อหลีไปนมัสการหลวงปู่ เราอยู่กับท่านมาแสนนานท่านก็ไม่เคยบอกให้เราไปจัดเสนาสนะให้องค์อื่นเลยพอตอนเช้าฉันเสร็จท่านมาแสนนานท่านๆไหนเรา และแล้วพูดแบบสบายว่าเออเข้าคือเราเอาเตียงไปวางให้เรียบร้อยดีนะคือเรา ผู้เขียนคิดว่าเป็นตอนที่สําคัญ ท่านฝ่าฟันอะไร